ลุกช้าวิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาณรงค์ักดขีนานโยตอนพลิกพลิกจากการเจ็บป่วยมาเป็นโอกาสของการภาวนาตอนที่หน <forward> <t replaces WrestleMania> ึ่งอะไานี้ในนนโลกีโอะไรบ้างไอ้เนีอ่ะกรยดกรเป็นโรคลิ้หัวใจรั่เป็นลิ้นหัวใจรั่วค่ะแล้วก็เลือกจางค่ะแลวมีช่วงหนึ่งที่แบบ ถ่าอาจารย์หมอกลัวว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะคะลูทีเมียมก็ส่งไปตรวจทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ได้กังวนลนี่ค่ะตอนที่บอกว่าเป็นลูทีเมียที่บ้านก็ถามว่าคืออะไรแบบ<ม>อาจจะแบบว่าไม่ไม่กล้าคิดอ่ะค่ะแล้วก็ตอนนั้นไปทุกสองอาทิตย์เลยค่ะ<ม>แล้วก็เคยแบบคุณหมอยืนยันว่าต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ ทำใจสบายสบายอะค่ะก็ไม่ได้กังวลคือตอนตอนหนูไปตรวจอาจารย์หมอที่เก่งที่สุดของรา ม, มาาาารานาคเขาก็บอกว่าถ้าไปของโรงพยาบาลตำรวจเขาบอกว่าถ้ารามนาบอกว่าผ่าเขาก็ไม่กล้าทำความเห็นเสีย่ยนก็คือต้องผ่าแล้วก็มีนั่นกับเป็นนายตำรวจที่พาไปหาคุณหมอ แต่เป็นผู้หญิงเขาก็มาจับมือเขาก็ถามหนูว่ากังวลไหมตกใจไหมอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะว่าคุณหมอบอกว่าต้องถ่ากลัวไหมตอนนั้นเหมือนไม่กลัวตายค่ะดวงตาตอนนั้นไม่กลัวตายมากกว่าตอนนี้หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูรับได้แต่ว่าถ้าต้องถ่าจริงๆก็คือแค่ขอให้จัดการเรื่องทั้งโลกให้เรียบร้อยก่อนคือให้งานแบบ เบาบางเราพร้อมที่จะผ่าก็ทําได้ไม่เป็นไรตอนนั้นยังไม่ดีเออะไรเป็นผ่าล่าหัวคือตอนที่<อ>หมอว่า้ผ่าได้ไหมเป็นเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณสามสิบสองนะคะสามสิบอตงอตอนนี้ยังไม่มีพ่าละะ่างเลยใช่ค่ะคือตอนนั้นคิดว่าคือหนูพอหนูหนูรู้ว่าหนูป่วยตั้งแต่หนูเด็กๆ<อ>หนูก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่มีครอบครัวเราจะไม่มีหวัว ก็เลยเลือกที่จะไม่มีครอบครัวแล้วก็คิดว่าถ้าเราเป็นอะไรใน่อนพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงเราไม่มีครอบครัวเราเป็นอะไรไปเราก็ไม่ต้องห่วงครอบครัวไม่ต้องห่วงสามีไม่ต้องห่วงลูกตอนนี้ก็ไม่มีแต่ว่าแต่มันก็มีห่วงทำไมไม่บอกอะไรก็พ่อแม่ค่ะยงดูพ่อแม่ ก็าเคยรู้สึกว่าเมื่อก่อนจะตับได้ว่าถ้าเราเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรอืแต่นี้เดี๋ยวนี้ก็คือก็เลยพอถึงปัจจุบันก็เลยคิดว่าไปหลักจะตายจริงๆเนี่ยจะกลัวไหมคงกลัวครับหรือว่าผนอดหวานก็คิดมากพอเมื่อก่อนไม่กลัวตอนน้นเสร็แล้วเราก็เริ่มคิดมาก แต่ก็ไม่ได้หนูจะมีเสียงไดยมีเสียงออกไปเขาอยู่ขึ้นยู u ูบน่ะหนูเคยที่แบ <c oughs> บเวลาแบบอาการเยอะๆเหมือนกับว่าเหมือนกับบางครั้งเหมือนถ้าคนทั่วไปคงจะแบบเหมือนมีภาวะที่แบบเป็นนั่งๆเหมือนหัวใจจะวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ บ, บบปวดหัวแบบหนูเคยอยู่กับเขาสองคนนะคะแล้วเขาเด็กๆเรียกเขาเขาก็ไม่ตื่นใช่ไหมคะแล้วแบบมันเหมือนกับ จะเป็นลมแบบจะอาเจียนแบบไม่ไหวแล้วค่ะต้องขานเข้าห้องน้ําถึงภาวะนั้นหนูเคยแบบเหมือนกับหนูเคยหลายครั้งแล้วที่แบบเกือบเป็นเกิดตายแล้วหนูก็นิ่งๆคือหนูก็คิดว่าตายก็ไม่เป็นไรก็คือแบบถึงตอนนี้ถ้าเกิดตายก็นอนนิ่งๆแล้วก็คิดว่าภาวนาพุโทโธไปหรือถ้าตายก็จะไม่ทุรนทุรายและจะไปเรื่อยๆแต่ก็เหมือนกับโชเดียหนูเคยแบบเปิดหัวมากๆ แล้วก็คว้ายาดมมาเพื่อจะจะดมอ่ะแต่แบบวินาทีนั้นมันเหมือนไม่มีกํำลังแล้วหลังตาแต่ว่าก็โชคดีที่แบบมันมีสมรีก้อนหนึ่งเนี่ยตกไปที่หมอนอะ่ะแล้วเราก็เหมือนกับเขาก็ระเหย อ, ออกมาก็ได้กลิ่น อ, อ่ะอ๋สอสมรีมาจากไหนอ่ะคือมันเป็นแบบเหมือน ยาดมที่ที่เป็นของจริงนะคะที่เป็นจริงเหตุ น, นะก <ừ> ็ใส่ขวดเล็กๆก่ะก็จะมีผมดีอยู่สองก้อแต่หนูว่าหนูเปิดไม่ไหวนะคะหนูว่าหนูเปิดขวดไม่ไหวแ ต, ไแต่ว่าขวดมันปิดนะคะแต่ว่ามีสมดีก้อนนึงตกบนหมอนแล้วหนูก็ดมตรงนั้นนะคะจ <ừ> นแบบโล่ลงแล้วก็หายแล้วก็พอเช้าขึ้นมาก็ยังทุกข์ทึไม่ถึงขนาดหายแล้วว่าคือขทุเราลงอ่ะพอเช้าลงมาก็เห็นแบบสมดีตรงเนี้ย เปลียกมอนกินคุ้งหมดเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเลยถึงตอนนี้เวลาปฏิบัติไยเวลายังพักหลงตาสอนนะแล้วยังยังคิดว่าทําใจได้แล้วค่ะแต่ก็ถึงเวลาจริงๆก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าเราถึงเวลาจริงๆจะ่คิดหรือจะทําอย่างนั้นได้ไหมหรือวบาเหมือนเรามองแห้งใช่ไมคะพี่หลมองแห้งแต่คิดเอาแต่พอถึงจริงใส่จริงๆก็ฝึกไว้นะ เราก <Okay. S 1> hey. ็พ so so <Okay. S 2> ุทโธพุทโธผุทโธพุทโธพุทโพุทโธพุทโธของเราเรื่อยไปอ่ะพุทโธทโมันจะเป็นยังไงก็พุทโธเป็นตัวก่อจะไอจีมันจะดับไปพุทโธเป็นตัวก่อนลมายใจะดับไปหนูเคยไปบอกเพื่อนว่าเขเราเวลามันใกล้วินาทีที่จะเป็นจะตายจริงๆริงมันจะทรมนมากนั้นแต่เรารู้ว่าต้องพุทโธเราก็ยังจะไม่สามารถที่จะพุทโธได้เราเอง เหมือนกับว่าความทรมานเหมือนถึงเราเรานึกถึงพุโทโธเราก็ยังจะพุโทโธไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่นึกหรือยังไม่คิดหรือว่าถ้าถึงจุดตรงนั้นคงจะคงจะลำบากขนาดหนูหนูบางทีทรมานมากๆหนูแบบหนูคิดว่าห น, ห น, หนูทิ้งทุกอย่างหมดแล้วหนูจะพุโทโธมันก็คาดขันมันก็ทรมานนะคะไบเยเรียกไปข้ามจะแตก ก็มันจะพูทโธไม่ไหวเพราะพระจ่าว่าคนทํามาินทำนานแล้วตอนนั้นมันจะละลายละลายหมดเพราะมันเจ็บปวดทรมานโอยอยโอยโอยในหลายคนเนี่แต่ในความที่จิตที่มันสุดมารีแล้วเนี่ยตอนในไฟธาตุมันแตกหมดไปจากตอนนั้นจะทรมานมันก็จะจะภาวนาไม่ได้แต่ก่อนที่จะตายไฟธาตุที่มันแตกอ่ะมันแตกหมดแล้ว ไอ้ทุกอย่างก็จะจบลงคือมันจะสงบลงมันไม่รือร่างกายไม่มีความรู mm ้ในมันหมดความรู้สึกไปแล้วคือไอ้ไอ้ความรับรู้เนี่ยร่างกายที่มันรับรู้กบบตอบสนองต่อความรู้สึกเนี่ยมันมันหมดไปเหลือแต่จิตเท่านั้นแหละเหลือแต่จิตตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ทรมารแล้วไม่ทรมารแต่ตอนเนี้มันอยู่ที่คนฝึกมาดีแล้วไม่ฝึกมาดีเพราะตอนนั้นมันเหลือแต่จิตแล้ว อากายมั น, มนไฟชาแตกหมดแล้วมีเจ็บปวดจกกนกระทั่งมันไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดอนะ่ะเราก็เคยเป็นเราจนเป็นเปนจะไปทั้งเหลือจิตกับผูู้ส่วนกายเนี่ยเรารับรู้อยู่แต่มันไม่ไม่ตอบสนองความเจ็บปวดอะไรนะเราก็เคยเคยไปจกก น, นกระทั่งเป็นแบบว่าไอ้ความคิดเนี่ยวความคิดเนี่ยเห็นความคิดความรู้สึก เดิมม no ันเป็นม <ZY> ีความคิดความรู้สึกอยู่ในตัวเราแล้วมันค่อยความคิดความรู like ้สึกอันที <Stat> ่สองมัน <mitad> ก <sprout ed CIA> ็เหมือนเครื่องบินเอ้เดิมม <S orship> ันอยู่ในตัวเราเนี่ยเราก็คิดมีความรู้สึกอยู่ในตัวเราปกติเนี่ยแต่พอมันมันจะตาย้าวาอย่างเนี่ยไอ้ความคิดความรู้สึกมันเหมือนได้ห่างออกไปเหมือนได้เครบิดเครื่องบิรลบที่สองมามาห่างเราเรื่อยๆลำที่สองลำที่สามลำที่สี่มันห่างเราออกไปเรื่อยๆเฮ้มันไปห่างออกไปเรื่อยทีไอ้ควาไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ย คามคิดความรู้สึกตัวเนี่ยมันห่างไปเรื่อยๆถ้างออกไปนทางออกไปจนกระทั่งแบบว่ามันอยู่คนจุดขอบฟ้านู่นแหละมันติ๊กติกเด้อแล้วมีความรู้สึกว่าไอ้ความคิดควรู้สึกตัวนนั้นแหะไอ้นี้ยมันมันรลับสุดท้ายละใจรู้เลยว่ามันรรับสุดท้ายถ้ารลเนี้ยมันหายไปเมื่อไหร่ก็ตายแล้วพอไอ้ลมนี้มันหาไปพก๊บลมหายใจมันก็หายใจยาวเลือกเลือกมันเหมือนกับอ้คนที่ตกน้ำเนีนแบ้น เรื่องมันดับไปพร้อมกับไปส่วนนี้มันดับไปก่อนตัวารู้สึกมันดับไปลมหายใจเพือเพืมันเอะครอโตคือไม่ายใจหดไปเองโดยตโตไอ้ตอนที่หาใจตอนท้ายเนี่ยมันสีมันเลื่อเพื่อมันเนว่านี้มันสีมันจับแล้วคหอ้ลมไายใจมันเหลือให้เครื่องมันน็อกทุดท้ายนั่นเองไรนี่ยระหว่าแต่คนมันฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่มาเพอจนตายเงี้ย มันนี่นเผลอจเผลอนี่คิดนู่นนนี่กลัวนั่นกลัวนี่เผลอจนตายเพราะตอนั้นเหลือแต่จิตกับความรู้สึกและความคิดแหละจิดกับความรู้สึกตัวและความคิดมันจะไม่ทำาบที่ฝึกมาดีมันก็เหลือแต่มันก็แต่รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลามันก็แค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบมันไม่กังวลไม่กลัวตายไม่ไม่มีความกลัวตายไม่กังวลถึงคนนั้นไม่ห่วงคนนี้ไม่ห่วงถึงคนนั้นไอคนที่ฝึกมาไม่ดีเน hmm ี um ่ย ตอนเนี้ยมันมันอันตรายที่สุดเลยคือมันจะห่วงพ่อแม่แต่ถ้าคนเนี่ยมีครอบครัวมันจะห่วงลูกก่อนห่วงลูกห่วงหลานห่วงสามีภรรยาห่วงพ่อแม่มันห่วงพ่อแม่เสร็จแล้วมันก็ห่วงตัวเองจะกลัวตายที่สุดแล้วสุดท้ายก็ห่วงวว่าตัวเองจะตายตัวเองจะตายโอ้โหตอนนี้มันละลางละลาครับทั้งห่วงตัวเองต้องห่วงคนอื่นต้องห่วงพ่อแม่ต้องทั้งห่วงธุรกิจเพ้อไม่หมดแล้วโอ้โหเพ้อมือมือจะไ่อยกว่ากาทั้หมดเลย แล้อย่างนึ่งก็คือสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าไอ้พวกเจ้ากรรมในเรนะที่เราทําไว้เขาเนี่ยมันก็มาลุมหลอกหลอนไปภาพนู้นภาพนี้ภาพหลวกตามว่าไอ้คนจะตามกับมือปัดไล่ไปไปไปไปไปไปไล่พวกที่มันจะมาอาวิญญาณเราไปอีกเนมานก็จะมาล่อหลอกให้ขึ้นรถไปไปด้วยกันมาจูงไฟมาอาชาบไปอู้จรแล้วมันหลายเรื่องหลายลาวมากมายตำรวจฝึกมาไมเดีอ่ย ถ้าให้พวกผีเด็เรยกว่าผีไปอะไรพวกฟานก็เลยมันจะมารอหลอกท้ายทอเนี่ยตกตะกั่งไปอาบายเลยสารพัดจะพุ่งลุ่มเลยตอนนั้นนักความเจ็บปวดทุกปรลมาไปชาแต่ครับความห่วงใยัวว่าจะตายห่วงใยครอบครัวห่วงใยธุรจิตห่วงใยทรัพย์สมบัติห่วงใยร่างกายที่ก็จะพาไปห่วงใยกี่คอยกลวยพวกผีจะมาหลอกหลอนอีกอู้สารพัดเลยแต่คนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ย ไม่ว่าเป็นอะไรเกิดขึ้นในสุดท้ายมันก็รนไปท่าจะแตกมันก็ทรมานตอนนั้นเลยเป็ภาวนาไม่ได้แล้วปรับปริกรรมก็ไม่ได้มันเปนปวดทรมานแต่ถ้าจิตมันฝึกปรีดีแล้วถึงร่ากาจะเป็นอะไรเนี่ยแต่จิตมันบริกรรมมันเองจิตมันบรรลุสุกจักของมันเองมันรู้อยู่ภายในแล้วก็ตอนหลังก็เราจะรู้รู้รู้จะก็ได้ความคิดความรู้สึกตัวมันก็ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไป่างออกไปแล้วก็เข้าไปดับแต่ถ้าเราจะดับแล้ว แล้วก็ดีมีเสียงยีมีเสียง แ, แล้วเมียอาจารย์อาจารย์เก่าเราท่า น, นใช่ครับบอกว่าเรารากายกระขานเรายังไม่ถึงคั้จะต้องทิ้งไปเลยร่ากายกระขานเรา ย, ยังดีๆอยู่ทำไมเราทิ้งก็กลัวแล้วลูกติดไปไม่ไม่ต้องสาการาดำๆไงถ้า เ, เรามีชีวิอยู่แเราจะเชื่อเหลือก็ดูได้มาก ปฏิจแบบิมันแวบมันึ้นมาเปความเมตตาเราเหลือเพื่อสุดท้ายอ่ะก็สุดท้ายเราอดิษฐานจิตคืนมามันขึ้นมาก่อนได้ไค่อยๆค่อยๆรู้สึกเติมขึ้นมารู้สึกเติมขึ้นมาแล้วแบกับซื้มาหาตัวเราทั้งหมดที่เราปฏิบัติมาค่ะก็เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของชีวิตเราใช่แม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหารนต์ท่านหลายท่านก็วา่างบนี้ เราปฏิบัติเก่งขนาดไหนสุดเราใช้ตรงนี้เนะี่ยตรงวินาทีสุดท้าที่เราจะดับไปเนี่ยนะเราจะแน่จริงเง่ยเปล่าเนี่ยเราใช้ตรงนี้นะมันมาออโต้เลยสนอมัส ท, ที่เราสุดมาดีแล้วก็จะเหลือแต่แค่เรารูเราทราบเรารูเราทราบไปบหัดนไหวไม่กลับอะไรแต่ทุกอย่างก็ดับไปเหลือแต่รู้เพราะว่ารู้เนี่ยมันเป็นธาตุที่สุดของมันคือธาตุทาลายไม่ได้แต่ธาตุเนี้ยมันมีก้อนธาตุไม่มีตัวตนไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่รู้ที่มันไม่ีดับคือตัวตนไม่มี ทุกพันธ์านมันก็ไม่มีไม่อะไรเลยมันไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีดำไม่มีขาวไม่ีกว้างไม่มียาวไม่มีหนาไม่มีบางไม่มีกลมไม่มีดวงไม่มีวงแหวนไม่มีก้อนไม่มีแสงสว่างแล้วก็ไม่มีมืดไม่มีมองใสไม่มีเจ้บอกมันมีแต่รู้ในรู้เนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในมันเลยไม่มีทั้งสมมติไม่มีทั้งอะไรทั้งหมดหมดเว่าเรา เราหลุดไปได้คลอดราตายไปแล้วแล้วเราก็คือภาวนาไม่ทิ้งรู้ไปมันก็คือจะไม่ทรมานจิเราก็ยังรู้อยู่เหมือนเดิมแต่ให้เราตายไปแล้วเดี๋ยวกระทั่งเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไปเกาะอะไรเลยหรือแต่รู้รู้รููููู้้้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจิตมันจะเปความรู้สึกตัวมันห่างออกไปยังไงก็ตามเหลือแต่รับรู้รับทราบตามความเป็นจริงลมหายใจก็จะอ่อนลงอ่อนลงก็รับรู้ทราบรับทราบตามความเป็นจริงเหลือแต่รู้รู้รู้รู้แค่รู้แค่รู้มันไม่มีตัวเราไมรู้เลยตอนนั้นอ่ะเพราะไอความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันเรามันห่างออกไปมันเหลือแต่รู้ไห่ความรู้สึกตัวเรามักลับทางตัวเราออกไปมันถามตัวเราไปเราก็เลยรู้รู้รู้รู้รู้อยู่นั่นแหละ แต่ไม่รู้ไม่บรรลุถึในตัวเราหรอกเพราะไอความรู้สึกตัวเรามันห่างออกไปมันจะดับแล้วความรู้สึกตัวมจะดับแล้วแต่มันก็รู้ว่าความรู้สึกตัวมจะดับแล้วไอรู้เนี่ยมันจริงไม่ใช่ความรู้สึกตัวเออมันได้แต่รู้ว่าความรู้สึกตัวมจะดับแล้วอย่าอย่าอย่าอย่าหลับให้รู้สึกตัวให้ อย่าลับซะลับแล้วมาตายไปเลยไงอย่าหลับอย่าลับไอ้ทีแก้ไว้ไอ้ทีแก่ไว้เก่าเก่าขาเก่าอย่าหลับอย่าหลับไห้รู้ึตัวไว้ไอ้รู้ตัวไว้แล้ะไอ้ควารู้สึกตัวกับรู้เนี่ยมันทีไม่แช่เดียวกันเพราะว่ามันรู้ว่าเราจะหมดความรู้สึกแล้วอะ่ะแลวไอ้คนที่ที่อะไรนะที่ที่พญาเขาจะช่วยชีวิตอไอ้คนดี่มันเกิดดูมาเห็นหรือว่าเป็นอะไรหรือจะนอกไปอะไรไปเลยเนี่ยเราไปโรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็จะช่วย อย่าหลับอย่าลให้ตื่นไว้ไอ้ไอ้กูกับไอ้พวกมเดิมกูเหมากันเอย่าหลับอย่าลับตื่นไว้ไอ้รู้สิดตัวไว้ไอ้รู้ตตัวไว้อย่าหลับถ้าหลับพวกมันไฟเลยอย่าหลับเพราะว่าถ้าหลับพวกมันจะเรียกไงไม่ซุ้นเลยสูกปาให้รู้สิดตัวไว้อย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับ้ไอ้ก่รู้ติดตัวเนี่ยมันจะห่างไปเลยเลยห่างแบบนจะวิ้บอไเงี้ยแต่ก็ไม่เห็นมันเวิบไปวิบไปอะไร้ปทำรู้ติดตัวเนี่ยเียทัน เดได้ความรู้สึตัวมันจะแค่ชั่วโมงไปหมดไปไอ้รู้เนี่ยมัรู้อยู่ว่าความรู้สึกจะหมดนะแล้วก็ไปอยู่กับร <princess> ู a a ้อยู่ก็รู้อยู่ก็่นั้นอยู่ก็รู้อยู่ก็รู้แต่ความรู้สึกตัวก็จะหมดนะน่าอะไรเกิดขึ้นมันก็แค่รู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่ก็รู้แต่ไม่ใช่เป็นตัวเราไปรู้หรอกเพราะไอ้ตัวเราจะไปแล้วจะดับแล้วแต่เราก็รู้ว่าตัวเราจะดับแล้วตัวเราจะดับแล้วแต่ไอ้ตัวเราก็รู้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันคือตัวเราจะดับแล้วตัวเราจะดับแล้วแต่ ไอ้รู้มันไม่ดับนะไอ้รู้มันรู้ว่าตัวเราจะดับนะครับตรงเนี้สาคัญมากรอยต่อตรงเนี้ยพอเราฝุดประเด็นจํานาแล้วเราจะรู้ว่ามันคือเราตัวครับมันจะเป็นรู้เี่แต่ตอนเราในเราฝุดในมีคิดเกี่ยวจําญาณอยู่เนี่ยเราต้องให้รู้ไอ้ควารู้สึกตัวไป็นอันเดียวกันไม่งั้นเราก็หลง嘛เราก็หลงไปโน่นหลงไปนี่หลงไปนั่นแต่วันนี้หลงไปคิดโน่นคิดนี่หลงเบื่อเพื่อเจะเลือนใจไปหลงไปทั่วที่ตอนเราจะตายเนี่ยจะตายเนี่ย ถ้าเราในคนที่ทำงานอยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยไอควารู้สึกเราก็จะรู้เลยว่าไอควารู้สึกตัวเราจะหมดแล้วเราก็เหลือแต่รู้แต่ลรเพราะว่าเราตอนนั้นเราเราไม่เหมือเพลินไปกับอะไรละอะไรมาชวนอะไรมามาหลอกหลอนอะไรจะมามาหลอกลวงให้เราเป็นภาพมายาต่างๆเราก็จะไม่หลงเพราะว่าเราอยู่กับรู้อยู่เราอยู่กับรู้แล้วเราก็รู้ไปอย่างเงี้ยอยู่กับรู้อะไรก็มาเราแก่รับรู้รับทราบอยู่แค่รู้ เราก็รู้ว่าจิตมันก่เหมือนในไอความรู้สึกตัวและจิตมันค่อยหาเมือเครื่งบินที่มันหางไปเพื่อนำหาออกไปหาออกไปหาออกไปางไปแล้วค่อมันเหมือนกับไอแสงสว่างมันได้ปรี่มันไปอุโมงค์มันเป็นดับแล้วเพราะย่าดับไปก่อนนะในส่วนในลมหายใจที่มันเลือกเครื่องเคื่อนเนี่ยเราว่ามันเป็นคอสโตเครื่องเคลื่อนเครื่องยนที่มันดับกับจรวดมาแต่เขาดับสวิตช์แล้วเาปิดสวิตช์ดับแล้วเหมือนในเครื่องยนต์นันขาปิดสวิตช์ดับแล้วแต่เครื่องมันยังร้องคึกคึกสมัยก่อนเครื่องดีเซลมันก็ยังคึกคึกคึป สาขาสาขาที่เนี่ยจะจะทำงานแล้วมันดับเอง อ, อาขาพูดไหมอะไรครับวนาจะปีกว่าแล้วยไปถึงข้างไหนตอนตอน ท, ที่ที่เราเมื่อกี้ที่บอกว่าพอจะเป็นจะตายแล้วไปถึงข้านไห น, นแแ็งเราพูดกัยคือคือหนูหนูหนูเป็นคนที่ป่วยมาตั้งแต่เด็กๆค่ะพระหลวงตาแต่ว่าเมื่อก่อนที่หนูไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาที่หนูป่วยมากๆอี่ยหนูก็ นอนคือหนูหนูเป็นคนที่แบบไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ทุรนทุรายอะค่ะคือพอรู้สึกว่าป่วยมากๆไปไหนไม่ไหวหนูก็จะนอนหนูรู้ว่าหนูลุกไม่ไหวแต่หนูก็ยังสามารถพูดคุยได้ตามปกติคือ mm hmm. เมื่อก่อนไม่รู้ถึงวิธีปฏิบัติเธรรมก็คิดแต่ว่าร่างกายเราไม่ไหวเราก็นอนแต่ว่าใจเรายังปกติใจเราไม่ได้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะพูดคุยได้ คุยดิด ต, ต่อคนข้างนอกได้แต่พอหลังๆพอหนูซักอายุยี่สิบกว่าสักสามสิบหนูหนูจะเจอแบบเหตุการณ์ที่เหมือนตัวเองจะตายอะค่ะหลายครั้งประมาณสักสองสาครั้งแรกคือคือครั้งครั้งรกกับครั้งที่สองหนูก็แค่แบบนอนนิ่งๆนะคะแล้วก็คิดว่าแล้ไม่ไหวแล้วเหมือนข้างในเนี่ยมันแน่นไปหมดแล้วค่ะพระองจ้า เราก็ใช้วิธีนอนนิ่งๆแล้วก็เหมือนกับอัดตายตายก็สายสุดตอนนี้ยล้วจะไม่ทุรนทุรายอะไรละแล้วก็จะนิ่งๆแล้วก็ภาวนาพุทโธไปคือเหมือนกับว่าถ้าจิตขาดตรงไหนก็ให้ขไปเลยสีแต่ว่าพอครั้งสุดท้ายเกิดเมื่อสักสามสามปีมาแล้วนะคะรานนั้นเหมือนกับเป็นมากๆแล้วก็งเหมือนจะตายจริงๆนะครั้งนั้นก็คือแบบ มันทั้งอาเซียนนะคะแล้วก็แบบแค่ลุกจาบเตียงไปเข้าห้องน้ำเพื่ออาเซียนก็ลุกไม่ไหวอ่ะคือต้องทานไปแล้วก็กลับมานอนแับเหมือนกับปวดหัวมากแบบทุรนทุรายะคะ่ะลุงตาหนูก็พยายามนอนแต่ในในความปวดมากมากเราก็ยังไม่ได้นึกถึงอย่างอื่นอาจจะเป็นเพราะไม่มีห่วงไม่มีครอบครัวก็ยังแบบอยู่ระหว่างปวดมาก ก็คือนอนแบบบินผู้หล่นผู้ลายบ้างแล้วก็ไม่ไม่ได้ฟังแล้วก็พยายามคิดว่าคุยโทรไปุโทรไปเรื่อยๆอ่ะคะ่ะคือถ้าถ้าเรอตายตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะแบบไม่มีคนเอาไปส่งโรงพยาบาลเราจะนอนตายอย่างนี้ใครจะมาดูแบบตัดไปเลยอ่ะคะ่ะตัดพวกนี้ไปเลยอ่ะคะ่ะแต่ก็สุดท้ายก็คือเหมือนกับกลับมาได้ก็คือกลับมาได้ ก็แล้นมันยังไงอ่าสถาวันภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราเรียนรู้กันผจะตายเป็นอย่างที่ที่หลวงตาพูดไหมหรือเป็นคนละอย่างกันเป็นยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงขณะที่หลวงตาบอกว่าแบบมันติดแบบทักจะหลุดออกไปอะแต่เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนไม่ะไหวใช่ค่ะอยู่แค่ขั้นทรมานแล้วว่าแค่ตอนสู้อ่ะสู้ว่าระหว่างความเจ็บปวดที่แบบ ไปกำกวนอยู่ความเจ็บปวดกับจะกลับมาภาวนาะพุโทโธนึกถึงกับพุโทโธได้หรือเปล่าเราจะได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ถามมีอยู่ภรรยาผู้สาท่านหม่งที่ท่า น, น, นปวดเป็นเะเร็งระยะซ้ายที่ท่านบอกว่ามันมันมีแสงสว่างเข้าฝ่ายรูเข็ม น, นะมันจะดับแล้วแล้วเราก็ไปช่วย ไปช่วยภาวนาขึ้นมาแล้วก็พฟื้นขึ้นมาคือสามีไปหาวัดแล้วไปหาวัดไปจองสไลดเรียบร้อยแล้วภรรยาผู้สาท่านนึ่งไปไ ป, ไปจองวัดสิริมหาธาตุบางเขนเนี่ยแล้วก็ไปจองสไลดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไ ห, หมอเขาปดเครื่องช่วยหายใจไปแล้วไนงะเขาว่าคงจะไปไปสลาวันเนี้ยแล้วก็ไปจองทันพอดีมีคนมาตามเราไป เราก็ไปแล้วเราก็ไปพูดไปพูดเราก็รู้ที่แล้วมันมันร่างกายมันบวมอ่าสวมร่างกายมันบวมมากเราก็กลัวเขาตายแล้วเพราะว่ามันบวมมากเลยก่อนเนี้เราเจอก็เอวบางร่างน้อยเราไปเจอมันบวมมากเลยอ่ะมันเป็นมะเล็งมะนูกแล้วมันเข้าไปในตอมน้ําเหลืองหมดแล้วมันเข้าไปในสมองหมดแล้วมันแล้วมันก็ก็คือมันไม่ทุกอย่างมันแทบจะไม่ทํางานแล้ว เดินรถไม่ไมนไม่เดินนะหัวใจมันมันแ้าจะไม่ทํางานแล้วเพราะมันมันรี่เร่งแรวมาจนกะทั่งเครื่องช่วยหายใจก็เครื่องช่วยชีวิตเขก็ปดออกมาแล้วแล้วก็สามีก็ไปจองสลาแล้วมันหมดสภาพขนญหานั้นเลยเราได้ได้เราไม่ได้ถามคนนี้ตอนที่ก็เขาพมดว่าไอตอนนั้นะเขาไปถึงท่านไหมแต่เขาคิดว่าเขาบอกเขาตอนนั้นน่ะมันแสงหว่างเหมือกับเขบกับปลรูเข็มเลยเราก็นึกว่าตายแล้วเพราะว่า อพวกสาเน่เนี่ยเขายีนร้องไห้อยู่แล้วก็ดีพวกเลขาสหุธรตอนนั้นพวกพัฒนาเล็กในสมัยนะั้นเป็นเลขาสหุธรถ้ารัฒนากับชนะแลก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็เห็ท่านบกษราแล้วเนี่ยเดร้องไห้อยู่แลเลยบอกว่ามีอะไรช่วยบ้างไหมก็ปลอบใจแล้วก็เลยบอกว่าท่านเสียใจว่าตอนภรรยาท่านเนี่ยตอนนี้รู้สึกตัวบอกว่าขออยากพบอาจารย์มาลงสากหน่อย แต่ท่านเห็นว่าภรรยาคงอยู่สภาพที่แย่แล้วแล้วก็เราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ก็เลยบอกว่าทำเบอร์โทรศัพท์เราหายภยรรยาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทั้งหมดสภาพไปเลยนก็เลยบอกว่ารู้อย่างนั้นนะให้เห็นเราก็เนาอย่างจะดีก็เลยเสียใจร้องไห้ขเขาว่ารีบไปตามเราท่านรัตน์รีบไปตามเรา แล้วก็พระเราไปเห็นเราเนี้ยโอ้ยเราเจอก่อนจะเอวบางล่างน้อยแล้วก็ะไปเจอจริงบวมโอ้โใหญ่ตัวเล่อเท่าไรบวมมากบวมน้ำเหลืองบวมมากแล้วก็นอนนิ่งหมแล้วเขาเอากดเช่วยช่วยชีวิตของผมไดแล้วยช่วยไอยใจแต่สายยางอะไรไม่มีนะนอนนอนนิ่งหมดแล้วสามีก็ไปหาไปเช็คเจ้าบ้านตรงนี้มาซะหมดแล้ว ตรากระลาเสร็จแล้วเราก็เลยตายแล้วเมื่าเนี่ยไปยืนดูมันไม่กระดุกระดิกอะไรเลยตายเลยมันก็ไม่กระดิบมัขยับไม่ขยับอะไรเลยเราก็ใจก็ไม่มีมันไม่ดีเลย <ś led> มันตายแล้วไงวะเนี่ยเราก็ว่าแล้วก็ยืนอยู่ที่เตียงมันเหมือนไม่มีอะไรเคยอกระดิกเลวเหมือนตายก็รอไปวัดกันนั่นแหละแตแ่เราได้ลองพูดซึ่งลองมาแล้วลองไปพูดกีหัะจะรู้เรื่องไหมเนี่ยคนนี่สภาพแบบเนี้ยติดภัยนานยังรู้รับรู้ป่า เราก็ไปพูดที่หูอะ่ะนี่อาจารย์อารมณ์ศักมาจะยินไหมเนี่ยเอตา่าเขาที่มันหลับอยู่เลยนะมันเก็ดยึดได้ไงเมื่อกี้ยิเสียงเราแนี่ตาที่เขาหลับอยู่แล้วแต่ยมันไเปลือกาตามันยึดนิดนึอ่ะนี่มันยังไม่ตายนี่เราป้าเร า, า ย, ยังไม่ตายาา ย, า ย, ยังไม่ตายเราก็พูดใหญ่เลยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเราก็ดีใจแว เ, เราบออาจารย์นะอาจารย์นะนี่อาจารย์อารมณ์ักมา เราพูดว่าบอกว่านี่ยเป็นถึงขนาดนี้ยังไม่บอกเราอีกอ่ะก็คือว่ากลัวเราจะเหนื่อยไม่อยากให้ไม่อยากว่ากลัวเราเห็นว่าเราเหนื่อยมากแล้วเรามีคนเยอะมีคนมารบกวนเราเยอะมีลูกติดเยวมีลูกหายเยอะเราเช่วยผู้อื่นมาเยอะแล้วก็ท่านก็นยังเอาลุกมาให้เราช่วยวก็เลยบอกว่าเราก็าว่าบอกว่าทําไมท่านอย่างเนี้ป่วยเป็นอะไรทไม่บอกเราอะไรเย่างี้ เราก Dante, ็เลยว od, schnell, ido, bien, ่าว่าแล้วเราบอกพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะให้เหมือนกับตะูตอกตดไม้เลยอย่าให้ความคิดอื่นแทรกเขาได้นะให้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องสนใจอะไรอย่าให้ความคิดอื่นแทรกได้เราก็หวังเพียงว่าถ้ามันมีความคิดอื่นแทรกพุทโธได้จะได้ไปสวรรค์เราหวังแค่นี้แหละว่ามันมีความคิดอื่นแทรกพุทโธได้เขาจะได้ไปสวรรค์ได้แล้วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุท นกล่งเลยผูโต้โต้โตโตโตโตโตโตโตโตเพื่อ ot, ot, ot, ot, ot, ot, ot, เขาอะไปสวรรค์ไม่ให้ความคิดอื่นแทรกได้แล้วเราก็เทัก่านนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเยี่ยมอีกทำเข้าเราก็เดินออกมาเดี๋ยส า, าราก็ถามเขว่าอรมันจะน่อดไหยเนี่ยพี่ถามน่องเนี่ยเอ้ยเหตุแล้วสภาพวมสกายนานแล้วเน่ถูกหมดเลยมันจะเหลือล้ว แล้วก็บอกว่าที่ให้เราให้ภ า, าวนาผู้โตมผู้โสก็เพื่อว่ามันจะได้มีความคิดอื่นแทรกพาไปลงอบายมันจะได้ไปสวรรค์ล้วก็ฝาสนาแค่นี้แหละแต่มันเกินเกินกว่าที่คาดคิดเกินหลังจากนั้นอีู่ประมาณสองวันสล้มาโทรศับไปถามที่โรงพยาบาลก็คนไข้ที่อยู่ห้องนี้เขาก็อยู่วัดไหนไปอยู่ที่ตลาดไหนวัดไหนเขาจะไปงานเขา เขาบคนไข่อยู่ในห้องอยู่โรงพยาบาลอยู่เราไปในคนไข้ฝ่ายที่ยอยู่โรงพยาบาลเองเราก็เลยมีเยียบพอเราเปิดประตูเข้าไปเขาดีใจใหญ่เลยตกใจเราเปิดประตูพวกเขาป็ตกใจเอาอาจารย์มาก็ตกใจแต่เขาเขาพูดไม่ได้เขาจะพูดไม่ได้แต่นอนดูโทรทัศน์อยู่นอนดูโทรทัศน์พูดไม่ได้นอนดูโทรทัศน์แต่พูดไม่ได้เราก็ เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ทุกขไม่ทุ่เอออาจารย์ม่เยี่ยมอาจารย์มเยี่ยมเออดีใจไว้เราหายได้ดีเราหายได้ดีใจกดโกันนะกุโถกโถกุโุโเดี๋ยวอาจารย์มาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวไม่ต้องคุยอะไรอะไรบเออเราไปใกำลังใจก็พัหนึ่เรก็กลับมาแลก็บอกเดี๋ยวอาจารย์มาเยี่ยมใหม่นะอีกสวงสัปดาหวาก็จะเยี่ยมเขาเราบอกว่าเขาลงมากินข้าวที่ท้องกินข้าวกับสามีเขาได้ เราโมไปเลยอ่ะพอาขเห็นเราเปิดประตูเข้าไปเขาก็เลยวางซ้อนแล้วก็บอกว่อาจารย์หนูจะทำอะไรห้อาจารย์ดูนะเราเรก็วางช้อนทุกหล้วกะั้นเขามือก็มกันแล้วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโะพุทงธยุาโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพงทโธพุทโธพุทโอพุทโธพุทโธพุทโธอยทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุท้ธพุทโธพุกโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุาโทโงอุทโ มันเป็นยังไงมันดึงความหายได้เน look, ี่ยงว่ากเลยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี mm ่ยมันเหมือนกับไปมีแสงสว่างเนี่ยเขาค่อยกีดก้อนเนี่ยมันก็ค่อยสว่างเข้ากับปลายรูเข็มเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นปลายอุโมงค์ที่มันจะดับแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงอาจารย์พอดีเลยมันเหมือนกับเป็นในไอ้ฟางเส้นดิบชัยหรือเส้นดิบชัยเลยเหมือนกับไอ้จะจมน้ําเหือกแล้วพอดีมีอะไรอะไร อะไรลอยมาแล้วก็มาเกาะคว้าได้เหมือนกับหนูที่บอกว่านอนอยู่แล้วมันจะแย่แล้วมีสภาพแย่แล้วหรือปวดร่วงลงมาแล้วไอ้ตำลีที่มีกลิ่นหอมละเหยของละมานหอมละเหยมันก็ได่นออกมาก็คงไม่ใช่ธรรมดาจนไม่ถึงชาวสายันก็เลยทาเป็นรอดชีวิตไอ้นี่คืเป็นการเพอเราได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงผู้โธเราเรารอดชีวิตมาได้เขาอเลยผู้โทรผู้โทรผู้โทรผู้โธผู้โทรตามที่เราพูด ก็ว่าบอกว่านามเท่าไรไม่รู้คุโศกโศไรเลยไออวิดิเห็นเป็นกุฏเจ้าลอยมาจากฟ้าคือกุฏิเจ้าเนี่ยโกลับกับวิพญานไปแล้วเนี่ยจิตจิตวิถหรือวิญญาณเนี่ยธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนมาจากไม่มีตัวตนนะแต่มันรากษยอยู่กับขันห้าพอจิตหรือวิญญาณเป็นเป็นธาตุรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนกำพังตัวมันเองมันไม่มีตัวตนสักอะไรเลยแต่มันรากษยอยู่กับขันห้า มันก็เลยปรากฏอยู่ได้พอจิตวิญญาณของพุทธเจ้าพระรามเนี่ยท่านท่านเป็ยึดติดอะไรแล้วเ น, น่ถ้าเป็นอิสระในตัวของท่านเองจิตวิญญาณเป็นอิสระตัวเองไม่ได้นเกาะเกี่ยวยึดถืออะไรทําไม่นเปเกาะเกี่ยวยึดถืออะไรเนี่ยมันไม่เป็นอิสระในตัวมันเองมันเลยดับมันดับไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีขันธ์ห้าของตัวเองแต่มันไปเกาะสิ่งใดไว้มันก็เลยตัวมันเลยไม่ตัวมันเลยดับแต่ดับสิ่งนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเกาะเกี่ยวไว้ทีนี้พอ วุฒิเจ้าหรือว่าอร่านทั้งหลายหรือไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสท่าปฏิบัติจนสิ้นการเกาะเกี่ยวแล้วเนี่ยไอจิตวิญญาณมันเป็นธาตุที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรมีแต่รู้เมื่อมันไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวปุ๊มันเป็นอิสระ็นตัวมันเองอ่ะมันก็เลยเป็นสภาพที่ที่มันไม่ไม่สามารถจะอยู่ในสภาพที่ที่มีปรากฏได้มันก็เลยหายจากว่าปรากฏไปนี้มันปรากฏอยู่ในร่างฐานห้ามยังไม่ดับแต่พุฒิเจ้าทั้งหลายท่าสที่เกาะเกี่ยวเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่ไปเกาะเกี่ยวที่ไคร แต่มันจะงป็นเกาะเกี่ยวอยู่ที่มันไม่ได้เกาะเกี่ยวแต่คือมันยังมีขันห้าอยู่เลยมันต้องมาทํามาทํางานรวมกับขันห้าล้วก็เลยยังมีปรากฏอยู่ในขันห้าพอขันห้าของพุทธเจ้าพระละอราน์ทั้งหลายที่ท่านสิ้นการเกาะเกี่ยวและรวมทั้งคารวะที่สิ้นการเกาะเกี่ยวแล้วเนี่ยมันก็จะขันห้าดับพุกไอ้ข่านรู้เนี่ยมันไม่มีที่มันไม่มีที่ที่จะมาปรากฏมันก็เลยหายไปมันก็เลยหายไปเลยพุทธเจ้าบอกหายไปยังไงพระเจ้าเลยหายไปอย่างเงี้ยแล้วก็ เหมือนกับไอ ฟ, ฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยเป่าทุบเปล่าดับพึ่งหายไปมันหายไปอ ย, ย่างงี้แหละแต่ที่ปรากฏเป็นพระเจ้ามามาให้อท่านเนี้ยเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นเป็นธรรมในธรรมชาตินี่แหละแล้วมันมามาันรวมปรากฏเป็นสมุดเนี่ยถ้ารู้เนี่ยมันปรากฏรวมเป็นส ม, มุอมาปรากฏรวมเป็นส ม, มุทดให้เห็นเวลาเป็นลูกพระเจ้าอุบบาดลอยมาจากฟ้ามาบินสะบาดเขาก็มีคามรู้สึกว่าเอาข้าวตอกตอกไ ม, ม้เนี่ย มีข้าวกับดอกไม้มันมาจากไหนก็ไม่รู้มข้าวกดอกไม้เราจะคงจะมี บ, บุญเก่าพอเห็นมือเจ้าพวกก็เลยมีข้าวกดอกไม้มาคนจะบุญที่คงสร้างไว้ก็เลยมีข้าวกัดอกไม้มาใส่บาตรพื่ท่านเจ้าก็หายเลยนี่มือเหลืองแปบมันหางนะคนเนี้ยกระดับไปจองวัดไปจองสาลาเรียบร้อยแล้วอะมันปื้นกันมาได้อะแล้วก็าการเล่าก็ไม่หน้าวันเป็นไปได้ยังไงในเะมื่อเลือกมันไม่ไม่เดินแล้วเป็นน้ําเหลืองทั้งตัวแล้วอะ บวมจุกอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่มันแฟดไปเฉยมันเป็นเรื่องที่หมอตั้งโรงพยาบาลก็งงไปหมดเลยว่ามันเปไปได้ยังไงในเมื่อน้ำเหลืองมันบวมักขนาดนั้นถ้าปกติใช้ยารักษาเนี่ก็ต้องใช้เวลาตั้งหลายเดือนกว่าจะหายบวมงเงี้ยนี่มันหายบวมไปเลยเออมันอัศจรรย์มากนะแต่เราไม่ได้ถามรายละเอียดเราโมแต่ถามเรื่องผ่าที่ปรากฏเราเลยได้ถามรายละเอียดะ ที่ก็จะตายมันเป็นยังไงภายในสภาพมันเป็นยังไงเราไม่ได้าำรายละเอียดไว้น่าจะได้เพราะว่าตอนนี้ก็ตายไปแล้วไงเขายอยู่นั้นหลายอยู่นั้มาอีกสองปีประมาณสองปีเขาถึงตายคือมันอวัยวะภายในมันพังหมดแล้วไงหรือเขาจอยู่ได้มาอีกสองปีแต่มันอวัยวะภ า, ายในมันคงแยกหมดแล้วเพราะว่ามะเร็งมันลาบไปกินจนอักจนท่วมหมดแล้ว แต่ไม่รู้ว่ามันยูดไปได้ไงต้งตองบอกฟีเขาตายก็ปาปอดเป็นแท็บเราถามเราถามสามูแล้วปอดเป็นแท็บปอดเป็นแท็บไปไมันด้ฟองอนึ่แต่เขาก็มีสติอยู่ตลอดเพราะว่าเขาม่สติแล้วเนะ่ยเขาเลยฝุนของเขาอยู่ตลอดเขาเลยฝุดขงเขาตลอดขอเขาุก็าตายไปอย่างแต่ว่าพูดได้พูดได้ตลอดขอเขาก็สั่งเสีย อะไรบ้างจับไปแต่ ย, ยังต้องไปอีกเยอะก็ต้องฝึกใช่มครับอย่างนี้ก็คือต้องฝึกห่อให้อยู่กับตัวเราตลอดใช่ไหยคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตอนไหนถ้าเราถึงตรงนั้นเราจะได้เอามาใช้ได้นี่ถูกไหมคะใช่ใช่เราต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะว่าต้องแบบทางที่เราที่ พระหลงตาสอนะหนูก็กลับไปหนูก็กลับไปฟังซีดีังที่พ่ะหลวงตาสออนะเหมือนแบบหนูว่าเหมือนทางนึกว่าพระหลงตาแต่ทางที่จะไปมันคือมันเป็นศัตรูธรรมล้วนๆเลยเลยว่ะมันไม่มีปฏิหารมันไม่มีความอัศจรรย์อะไรเลยใช่ไหมคะมันอยู่ที่ความเข้าใจในธรรมชาติ ทุกๆอย่างที่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นใช่ไคือเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็ปล่อยวางได้วางได้ทุกอย่างก็คือใช่ใช่ไหมคะ ไ, ไม่มีปฏิหารอะไรแล้วคุณเดี๋ยวพูดเรี่ยดีมากนะคำนี้เราเข้าใจของธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงมันนี่ไม่าดปฏิหารอะไรแล้วเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริง คือพระจ้ธรรมชาติของธาตรู้นี่สัวตาพยาพูดเมื่อกี้ว่าธรรมชาติของธาตรู้เนี่ยความที่เป็นธรรมชาติหรือพุทธปรัติของเขาเนี่ยคือเขาเป็นภาตุตามธรรมชาติที่มี ม, ม, มีมีสภาพที่ไปรู้เนี่ยรู้ได้รู้โน้นรู้นี้ ไ, ได้แต่ตัวตนเขาไม่มีแล้วเราเขาไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันณรูฐานอะไรเลยไม่มีสว่างไม่มีมืดไม่มีดวง ไั่มีก้อนไ ม, มอ ไ, ไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเพื่อนไงมีแต่รู้นี้ก็ต้องเป็นรู้ที่เป็นรู้ในตัวเราอรู้ในตัวเราที่แต่แต่ว่าแต่ว่าในความตัวผู้รู้กับในความที่ความคิดความรู้ของธาตุขันมันแยกจากกันอย่ในจต้องเออก็ออออจช่แหละเพราะว่าไอ้ร่าง ก, กายมันมีอยู่สี่ธาตุเนี่ยคือธาตุส่วที่เป็นของแข็งอะ เขาก็สมม ต, ติชื่อวับดินไอชาตส่วนที่เป็นของเหลวไอน้าเลือดน้าลายน้ำปัสสาวะที่เป็นของเหลวทั้งกา ย, ยั้งหมดอ่ะเขาก็สมมติว่ามันเป็นน้าเด็กชื่อว่าเปลนน้แต่ถ้าเป็นในภาษาต่างชาติเ uh รียกว่าอะไรลูภาษาแต่ละภาษาภาษาแะประเทศเนี่ยภาษาแขรภาษาเยอรมันภาษาลัวเซียภาษาอะไรอีกภาษาแล้วมันไมเียวาดินนะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ไอแก๊งแต่แต่คนไทยเรียกวาดิน แต่ถ้ามันเป็นเหลวๆเลยในร่างกายเราเนี่ยบนชาติอื่นเรียกว่าไงก็ไม่รู้แต่ชาติไทยเราเรียกว่าน้าน้ำภาษาอังกฤษมันว่า water เหรอเปล่าชาติชาติน้านนตแต่น้ำมันเรียกวอัตเตอร์ใช่ไหมทีนี้มั้ก็มีธาตุที่มันเคลื่อนไหวพัดโบกคือลมหายใจลมเลเอะอลมสดลมในช่องในไส้ลราปั่นหัวเนี่ยธาตุลมมันก็เป็นธาตุลม แล้วก็ธาตุไฟธาตุไฟก็คือประุความปรุปุุใ น, ร, ร, นร่างกายเราควประปรุธาตุไฟในร่างกายเนี่ยมีสี่ธาตุผสมกันถ้ามีแค่สี่ธาตุเนี่ยมันก็จะเหมือนกับไปต้นไม้ต้นไม้พวกพวกธรรมชาติเนี่ยพวพูรด้มันก็มีสี่ธาตุแต่เมื่อขาดสี่ธาตุนก็คือใอ้ธาตุรู้หรือวิญญาณไอ้ธาตุวิญญาณ วิญญาณเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่ารู้แต่ชาแต่คนทั้งหลายไม่แปลว่าวิญญาณแต่ว่าผีของวิญญาณออกจากลาไปเป็นผีวิญญาณมันคือรู้ทานรู้หรือถ้าเรียกตรงๆเล้ว่านรู้หรือแปลว่าเป็นภาษาไทยแเราทารู้หรือว่าต่างชาติไม่รู้แล้วแต่ชาติจะเรียกต่างชาติเรียกว่าอะไรก็คือธาตจิตธาตุใจหรือตามหาบุญเรียกธรรมธาต บอกท่านเรียกนิพพานธาตุนิพพานธาตุบอท่านเรียกว่าพุธทธะให้ท่านรู้ในเรื่องพุทธะสรุปแล้วมันก็คือว่ามันเป็นธาตุธาตุหนึ่งที่มันเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสว่างไม่มีของใสไม่มีเจ้ามองไม่มีขาวไม่มีดำไม่มีวงแหวนไม่มีเป็นดวงเป็นอะไรหลับเป็นนี่อะไรไม่ใช่ว่าเป็นผีเป็นอะไ ร, ะไรไเป็นรูเ้เจอฉ้แต่ตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยสรุปแล้วคือ มันมารวมกันห้าธาตุซึ่งเป็ threats, นเป็นร่างร่างกายเราที่มีจิตได้นี่ยเนี่ยคือห้าธาตุเราเข้าใจตามความป็นจริของธรรมชาติก็คือเข้าใจธรรมชาติของห้าธาตุเนี่ยซึ่งไมนมีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นของของเราแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นส่วตนของเรามันเป็นแค่ห้าธาตุมารวมกันแล้วด้วยอํานาจของห้าธาต์ที่มารวมกันเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกและคิดอารมณ์เนี่ยติดต่อติดต่อสื่อสารกันได้ เพราะว่าในห้าธาตุที่มันรวมกันคือธาตุสีธาตุดินน้าลมไฟที่มันไม่สามารถที่จะมีความผาดมีความรู้ว่าเข้าใจได้พอมันเอาไอ้ธานรู้มารวมอีกใส่หนึ่งธาตุมันก็มารวมกับระบบสมองเนี่ยไอ้สมองเราเนี่ยที่มันมีระบบปภาษาทที่มันมีความจํามีระบบไฟฟ้ามีการเคลื่อนไหวมีอะไรมีในทํางานเนี่ยมันเลยทํางานได้เหมือนในกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มันมีผีวิจิตใจได้เลยแต่ถ้าจะพิแต่ณาไอ้ธาตุรู้เนี่ย ที่มันไม่มีอะไรสักอย่างหนี่ง่ะมันมีแต่รู้แต่มันไม่มีร่างที่มันมันก็เลยไปไหนนม่มันก็เลยไม่มีใครเห็นเนี่ยมันก็อยู่ในทุกท er. ี่อ่ะทานรู้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นความเหมือนกับเนี่ยเหมือนที่เรียนจะเป็นควางของธรรมชาติเนี่ยแต่เมื่อทิ่รูปร่างของพุทธเจ้าแล้วท <c oughs> ิ่รูป so ร่างของพระหลานแล้วจะไปหาตรงไหนเพราะว่ามันเป็นขอไม่มีตัวไงมันมีแต่เหลือแต่ธาตุไอธาตรู้แต่ตัวพุทธเจ้ามันหาไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันมันมันไอสิ้นร่างที่มันเป็นมันรวมเป็นดีจน้ำลมไป มันก็ อ, อ, อ ม, ออ lin, มาลงมาดืมน้ำลงไปแล้วก็ชาลูอีกอันหนึงมันี่จมีรูปร่างขึ้นมาแล้วมองเห็นที่ลูกศิษย์เจ้ามองเห็นว่า iese. มองเห็นลูกเจ้ามีชีวิตมองเห็นผพระรหันมีชีวิตมองตอนนี้ธาตุนม่ได้มีธาตุหรือวิญญาธาตุมันก็เป็นหุ่นยนต์เนดินไปเดินมาเหมือนที่เขาสร้างห kind of ุ <c odes> like ่นยนต์แต่ม <pepp ant> ันม <t ick. S 2> ีชีวิตจิตใจไงเพราะมันไใ้หุ่นยนต์นั้นเอาไว้เอาไว้่าตุลูมาใส่ธาตุหนึ่งมันก็เลยมีชีวิตจิตใจเออเราพูดคุยกันได้เราบอสไสกันได้แต่ไอชารู้เนนี่่ยมมัก็ไชคน ถ้าตุรู้ว่ามันคือธาตุตามธรมรมชาติแต่ด้วยอํานาจของห้าธาตุมารวมกันมันเลยทําให้ผีผีผิดใจแต่เนื่องจากว่าเราเขาไม่เข้าใจธรรมชาติเราไม่เข้าใจธรรมชาติเราเข้าใจว่าเป็นตัวเราเรา่เข้าใจว่าเป็นตัวเราที่กินกันจัดเราไม่เข้าใจว่าธรรมชาติเมื่อเกิดเพราธาตุาตมารวมกันไอ้่าตุต้นไม้เนี่ยต้นไายเนี่ย ถ้าเราถ้ า, ามันมีวิญญาณธาตไปใส่ตัวหนึ่งอีกธาตุหนึ่งมันก็มีสิสดคิดใจได้อย่างหมาแมวเนี่ยมันก็มีดินน้ํามลมไฟพอไปเอาธาตุรุ้ยอีกธาตุนึงเนี่ยวิ ญ, ญญาณมันไปใส่อีกธาตุหนึ่งมันก็เลยเป็นธาตุธาตุพอเป็นธาตุธาตุไปพลกมันก็เลยเคลื่อนไหวเจ็บปวดมันมีความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ได้ดังนั้นสําคัญที่สุดก็คือมันมีธาตุอีกธาตุหนึ่นงให้วิญญาณธาตวิ ญ, ญญาณธาตหรือว่า ถ้ารู้หรือว่ it าธาตุจิตธาตุใจหรือนิพานธาตุหรือธรรมธาตุชื่อมันเยอะมากชื่อมโนก็มีชื่อมโนเลยชื่ออะไรก็ไรู้แล้วจำเป็นภาษาตามประเทศยังไม่รู้วชื่ออะไรอีกมากมายไกลกองมาเป็นชื่อสมมุติแต่จริงๆมันก็คือรู้ที่ได้อยู่ในตัวนี้เพองเข้าใจอย่างเนี้ยมันก็เลยตอนยังไม่ตายตอนเรนนี้ไม่ตายแล้วก็ฝึกไว้แล้วก็ฝึกว่าให้ดินน้ําลงไปมันฝุกไม่ได้ครดินน้ําลงไปมันสุกไม่ได้เพราะว่า ก็ทำหน้าผิวพื้นดินเป็นของแข็งในร่างกายเราเป็นโค้งกระดูกเป็ น, ส, นสับไตไตน้อยไตใหญ่มากตับปอดหัวใจไอ้ถัดน้ํา ม, มันก็ไปฝึกมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้ําเลือดน้ําเหลืองไอ้ลมก็ไปฝึกมันไม่ได้เราก็ฝึกที่ใจแล้วนี้ไงฝึกไอ้ธาตรู้เนี้ยที่มันเรียกว่าใจอะ่ะใจก็เรียกวันธาตรู้หรือจิตหรือชาติจิตหรือธาตุใจเนี้ยฝึกมันที่ใจนี่แหละฝึกยังไงฝึกก็คืออ่ะให้มันเป็นรู้ซะอย่าไปเป็นยึดให้มันเป็นรู้ อย่าไปเป็นยึดนถ้ามันได้แต่รู้อะไรเกิดขึ้นได้แต่รู้ไม่ไปเป็นยึดอะไรเกิดขึ้นอ่ะไปเห็นอะไรก็ได้ให้เป็นรู้ได้ยินอะไรให้เป็นรู้ซะมันคิดอะไรก็ให้เป็นรู้มันมีอารมณ์อะไรก็ให้เป็นรู้มันมันมันมีความรู้สึกยังไงก็ให้มันรู้ให้เป็นรู้อย่าไปเป็นอย่าไปเป็นอารมณ์เวลามันคิดก็ให้มันรู้คิดอย่าให้ไปเป็นคิดเวลามันเห็นรูปก็อย่าไปยึดรูป เวลามันได้ยินเสียงก็จะไปยึดเสียงเวลามันมีความคิดเราก็จะไปยึดความคิดคืออย่าหลงไปกับความคิดที่มันคิดอะไรปุ๊พอมันคิดถึงอะไรเราก็คิดถึงคนรักแล้วก็เพลินไปคิดถึงคนที่ชังเราประชังเขาเกียดชังจริงจริงคิดถึงเรื่องเศร้าหมองก็น้าตาไหลจริงจิอันนี้ไม่เป็นรู้เป็นคิดมันเป็นคิดนะแต่มันเป็นถ้ามันเป็นรู้เนี่ยมันจะเป็นธาตรู้รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ไม่ไม่หลงไปเรียนร่วมร่วมกับมันก็ได้แต่รู้ แต่ถ้ามันคิดอะไรแล้วเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามันกาลังคิดกิดกำลังคิดอะไรเราก็จะกลายเป็นคนคิดรู้คิดเองคิดตัิดคิดคิดคิดแล้วเราก็เสียใจโศกเศร้าไปตามความคิดพอคิดไปถึงคนรักก็มีอารมณ์ร่วงไปตามความคิดถึงสิ่งที่เราชังแล้วก็มีความจังไปตามที่เราคิดแล้วก็ไปตามความคิดเพราะเราไม่เป็นรู้เราเป็นไปคิดละเราไปเป็นคิดพาเป็นรู้ปุ๊บมัก็รู้ว่าจิตกำลงคิด เป็นกำลังคิดแล้วแบรู้คิดรู้คิดอะไรแบบรู้มาอย่างเงี้ยนะรู้มันแล้วเราก็ไม่ไปตามมันไม่ไปตามมันได้แต่รู้ไม่เป็นไม่มีอารมณ์ร่วมกับมันเราก็ได้แต่รู้มันก็จะเป็นชาตรู้ไงมันก็จะเป็นชาตรู้เพราะว่าได้แต่รู้ชารู้มันได้แต่รู้ไงแต่ถ้าเป็นคิดเี่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วมันก็เป็นไปเคลื่อนไหวมีอารมณ์เป็นอย่างไรอันเนี้ยมันเป็นธาตุห้าที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ไอธาตรู้เนี่ยมันมารวมกัน พอรวมกันแล้วก็เป็นขัน <n> ห้าขันห้าก็คือให้ร่างกายเราเนี่ยมันมีความรู้สึกมีทิศอารมณ์มีมีจิตใจเลยบริกรรมเป็นผู้มีมีความรู้สึกได้มีความจํานู่นจี่ได้จําว่าอะไรเป็นอะไรมีความคิดปรุงปรุงคิดคิดปรุงแต่งมีอารมณ์อะไรต่างๆได้อันนั้นมันมันเป็นขันห้านะมันเป็นไอ้พวกที่มันมีจิวิจิตใจแล้วเพราะแต่ถ้ามันมันเป็นขันห้าเอรามันไอ้มันเป็นธาตุแต่ละธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยดินมันก็ได้แต่เป็นของแข็ง น้ำมันก็ได้แต่เป็นของเหลวลมมันก็ได้แต่พัดโบกไฟไม่ได้แต่อบฟุ้งรู้มันก็ได้แต่รู้นี่คือมันทางานตามห้าธาตุบริวารทกขแต่พอเราเนี่ยเรามั่วเราไม่เป็นธาตุเราไปเป็นขันห้าให้ขันห้าเนี่ยมันคือที่มันมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ในชีวิตจิตใจมันมันเคลื่อนที่มันมันคิดอะไรได้มีอารมณ์ได้มีความรู้สึกได้มันเป็นขันห้าคือวันเปิ่งที่ผสมมาลวงกันแล้วของห้าธาตุ แต่ถ้าเราฝึกเนี่ยให้กลับไปเป็นธาตุแล้วก็มารู้ขันห้าใช่คือขันห้าเนี่ยมันผสมผูมาจากไอ้ดินน้ําลมไฟและประธาตรู้แล้วก็มารวมกันเป็นขันห้าขันห้าขันห้ารู้เป็นธนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าคือร่างกายความรู้ฝึกสัญญาคือความจําสังขารคือความคิดวิญญาณคือการรับรู้สัมผัสจิตหมุนดิจจสามารถรับรู้สัมผัสจิตหมุนดิจจเพราะมันมีไอ้ไห้ไาธาตุมารวมกัน มันเลยสามารถเป็นรับรู้ต่ต า, ตางๆอย่างโมลิไจใจได้พอรับรู้แล้วมัยังมีความรู้สึกได้ว่าเป็นอย่างไอ ร, รู้สึกถูกใจไม่ถูกใจรู้สึกเป็นกลางแต่ลรจำจําได้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็มันมีความคิดปรุงปคิ ด, ค, ดคิดปรุงมีอารมณ์ได้นั่นก็คือขันห้าเนี่ยขันห้าขนห้าคือตัวที่ผ ส, สมเป็ดเสร็จของไอ้ไอ้สี่ธาตุดินน้ําลมไฟแล้วก็แล้วก็วกอิมญพญันธาตุห้าธาตุห้าธาตุกับไอ้ขันห้าเนี่ยไม่เหมือนกันไอ้ขันห้าเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ผสมเสร็จแล้วมันเป็นที่วิจัยมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันปรุงแต่งแต่ไอ้ห้าธาตุเนี่ยมันคือเป็นธาตุเพียวเพียวคือเป็นธาตุดินก็เป็นของแข็งเพียวเพียวน้ํำก็เป็นของเหลวเพียวเพียวลมก็พัดไวเพียวเพียวไฟก็เคลื่อนไหวเพียวเพียวไอ้ธาตุรู้ก็รู้เพียวเพียวแต่ไอ้เคลื่อนไหวที่พอรู้สึกนึกคเราเป็นเรื่องของขันห้าแต่เวลาเราฝึกเนี่ยเราต้องมาฝึกที่ธาตุรู้นี่เราก็ฝึกไอ้ที่ธาตุรู้ไปให้มันรู้อย่างเพียวเียว ถ้ามันรู้อย่างเปียวเปียวคือมันให้ทำหน้าที่แต่รู้รู้รู้แต่ถ้าเราไปเป็นหน้าที่คิดซะมันก็เลยเป็นอารมณ์พอคิดปุ๊บมันก็เป็นอยู่ในตัวนี้เราไปคิดสึงคิดดีทั้งวันแล้วก็มีอารมณ์คิดถึงคิดดีทั้งวันแล้วก็มีอารมณ์มันก็เลยเป็นเป็นห้าเป็นขันห้าเราไม่เป็นขันห้าทั้งวันเราไม่เป็นชาติรู้นี่ไอชาติรู้เนี่ยเราไม่ได้เป็นทชาตรู้ถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยอ๋อเราก็ฝึกให้เป็นชาติรู้กลับไปเป็นชาติรู้คือจิตดั้งเดิมหรือจิตเดิมแท้ ใจแท้ๆของเราเนี่ยกั้มเดินแแท้ๆเนี่ยมันคือธาตุรู้แต่ท่านเราเป็นฝุกคิดมีอารมณ์เราไปฝึกให้เป็นขันห้าแต่ถ้าเราฝึกอะให้เป็ น, นรนู้ที่เป็นเป็น เ, น เ, น เ, นเพียวๆคือสแต่ว่ารู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้อ่าส่วนให้ไห้ขันห้างมันก็คิดกับรนะู้คิดรู้อะไรก็รู้คิดนี่ไงรู้คิดเราไม่เียว่ว่าไปห้ามมันไม่คิดให้ขนันห้ามันต้องทํางานทั้งวันเป็นชีวิตมันต้องทางานยังไม่ตายก็ทํา ง, งานเวลาขนาันห้ามันคิด ไอ้รู้เนี่ยมันก็รู้อะไรกับมารู้คิดนี่ไงรู้รู้รู้จิดเราที่เนี่ยมันคิดอะไรก็รู้คิดนี่ไงแต่เราอย่าทำให้ไอ้นี่ยมันไม่คิดไอ้ขันห้ามันคิดคิดคิดคิดมันจะจําได้หมายรู้คิดโน่นคิดนี่เบอร์โทรศัพท์ใครทำงานที่ไหนใครเป็นสามีใครเป็นเป็นภรรยาใครมีเรื่องอะไรมันกระทบไปมีเห็นอะไรไปดีในใจเงอร์คิดอะไรเห็นอะไรใจเงอคิดอะไรดีในใจเงอร์คิดอะไรอยู่คนเดียวเงอร์คิดคนคิดนี่อะไรเนี้ยมันคิดตั้งวันเนี่ยเองขันห้าเนี่ยมันไม่เลิกคิดหรอกแต่ไอ้รู้เนี่ย พอเราฝึกแล้วเนี่ยมันก็รู้คิดทั้งวันเนี่ไอเด็กคิดทั้งวันไอเนีกก็รู้ทั้งวันเนี่ยมันก็รู้แต่ไอเนี่ยมันได้แต่รู้ไอคิดแต่มันก็ได้แต่คิดเราก็ม่ใช่ว่าไปทำให้ไอเนี่ยมันไม่คิดคือไอเนี่ยมันคิดทั้งวันเนี่ยานห้าเปนธรรมชาติของมันเนี่ยเขาสร้างมาแล้วไห้าธาตุมารวมกันแล้วมันก็เลยทาให้มันคิดได้มันก็เลยคิดทั้งวันไอรู้เนี่ยมันก็ได้รู้รู้แต่อะไรก็รู้ไอเี็กคิดรู้ไอหน้าเด็กคิดเนี่ พอเราฝุดรู้รู้อะไรก็รู้อรไอกันญชามันคิดเองเพราะอ้กัญชามันคิดไอ้ไอ้รู้มันก็รู้รู้ทั้งวันเลยแต่ถ้าเราฝุดไอ้รู้เนี่ยให้มันอะแค่รู้แค่รู้แค่รู้อย่าดตัวมันนอะไปคิดให้มันรู้คิดอยาดไอ้ตัวถ้ารู้เนี่ยไอตัวรู้เนี่ยไปคิดถ้าอ้รู้เนี่ยมันรู้คิดมันก็จะเป็นรู้แต่ถ้าไอเนี่ยมันเป็นคิดละ คิดถึงคน น, นั้นคนนี้คนนอ น, นคนนี้คิดหนึ่งงานคิดเรื่องครอบครัวคิดเนึ่งอดีตคิดหนื่องอนาคต ค, คิดนันคิดนี่มันเป็นขันหน้าทั้งวนันมันไม่เป็นรู้ไอ้นี่ก็เลยรู้อะไรก็รูลล้ไอ้คิดที่แหละรู้ไอ้ขันหน้าคือรู้ตัวเราเดี๋ยเราคิดอะไรก็มันคิดอะไรพอตาเราไปเห็นรูปเราก็จะไปสนใจแต่รูปเพอตาเราม่เห็นรูปใช่ไหมก็จะไปสนใจมองแต่รูปูสวยจําไลยหล่อจังโหเขาสวยจังเขาหล่อจังหมดเลยทุกทีคนเราไปเห็นแต่รูปเราไปสนใจแต่รูปแต่เราไม่ได้ฝึกว่า เมื่อตาเราเห็นรูปไอ้ขันหน้าเราเนี่ยมันคิดอะไรกับรูปนั้นพอตาเราไปเห็นรูปปุ๊บไอ้ขันหน้าเราเนี่ยคิดอะไรกับรูปนั้นคิดว่าพอตาเราเห็นรูปไอ้ขันห้ามันคิดเลยมันคิดหน่งดอีกคิดอย่างคิดนี้แล้วมันจะคิดอะไรกับรูปนั้นไอ้คนจนจำนานเนี่ยมันรู้อะไรอ่ะมันก็รู้ใจเราที่แหล่ว่ามันคิดอะไรแต่มันไม่สนใจหรอกรูปแบบมันก็เห็นอยู่ แต่มันเห็นรูปเดิวแล้วมันก็รู้ใจด้วยว่าใจนั้คิดอะไรใจนี้คิดอะไรเพราะไม่ไดินอะไรไม่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมันก็ได้ยินอยู่เสียงนั่ก็ได้ยินแตมันไม่ไปสนใจเราเสียงน่ะแต่มันสนใจว่าจิตใจเนี่ยมันคิดอะไรตอนเมื่อจะ้ยินเสียงเพราะว่ามันฝึกรู้ตลอดเวลาคือเลยรู้จิตใจของตัวเองตลอดเวลามันไปไปฝึกสนใจรู้รู้ที่ลูกรู้ที่เสียงรู้ที่จิตรู้ที่รสรู้ที่ไปสัมผัสรู้ที่ว่าเราไปคิดถึงเรื่องอะไร แต่มันสนใจรู้ว่ากิจารคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฝึกให้มันเหลือดแต่แค่รู้แค่รู้แค่รู้ไม่มีอารมณ์ร่วมกับไอที่คิดมีอารมณ์ร่วมมาได้ไงอยากอินเข้าไปไม่อินเข้าไปเหมือนกี่บอกว่าเราก็รู้หนังดูละครเนี่ยที่เขาเรียกภาษาเรียกว่ดูดูหนังดูละครแล้วก็เปิดดูหนังดูละครมาอยู่กับจําดูหนังดูละครเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราดูหนังดูละครเราไม่อิไม่อินเข้าไปแน่ไม่อินก็ไม่ได้บทอ่ะไม่อินไม่เรื่องละ เราก็ไม่นั่งน้ําตาไหเลเปล่านั่งดูหนังดูละครน้ําตาไหลเปล่เปล่าเปลเป เ, เดูหนังดูละครน้ําตาไหลอ่ะแต่ถ้าคนไม่มีอารมณ์ร่วมก็นดูไปอย่างเงี้ยเออถึงก็ตลกเราก็ตลกไปแต่เราก็ไม่ได้เผลอแบบว่าโอ้โหเป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็นั่งดูไปตามบดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ตีอินอะไรอินก็คือมีอารมณ์ร่วมจริงๆงจังเลยคือพอตูวอินชาไปซึ้กับข้าวตอนเช้าแใ่ค้าในตลาดไม่ยอมขายกับข้าให้มันอยากตกซีนเองเอีนะ มีอารมณ์ร่วมเลยจะได้มีอารมณ์ร่วมเนี่ยอย่างนี้มันก็เลยพอละครเล่นเราก็มีอารมณ์ร่วมร้องไห้ไปตามเขาโอ้โหร้องไห้พระเอกนางเอกเป็นยัางนู้นอย่างนี้ถูกการแ้งถูกนางเอกเป็นอย่างนี้เป็นร้องไห้ไปตามแต่เราไม่คิดอยู่ดีไอคนที่แสดงเล่นเป็นนางเอกพระเอกอะเาเขาแสดงกัางวันใช่ไหมมันก็เขาก็ถ่ายทาจบไปแล้วตอนกราวันพอตลคืนน่ยก็กลับไปบ้านนางเอกพระเอกก็ใส่ชุดนอนอ่ะ มานอนดูตัวเองแสดงละครอ่ะปวเลาะกากระกกแต่คนดูทั้งโลกเนี่ยที่มาดูหนังดูละครเขาร้องไห้พี่เอกนั่งเอกตายร้องไห้เป็นวักเป็นเวนแต่ให้ตัวพี่เอกนังเอกที่แสดงละครแล้วมันใส่ชุดนอนมาดูตัวเองร้องปวเลาะกากระกระตัวเองแสดงละครเราดูว่าใครบ้าเออเราดูว่าใครบ้าคนดูที่เดียวรวมรวมเนี่บ้าที่เราพูดก็บ้าเราไม่ได้ว่าเขาจะไม่สบเราทุกคนเนี่ย มันบ้าไปตามความคิดอารมณ์บ้าไปตั้สิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสแล้วที่เราว่าเป็นบ้าเป็นบ้าคือเป็นบ้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบ้าไปตามความคิดอารมณ์เป็นบ้าไปอาหอหลกที่ต้องปัสสาวร้องโหยร้องไห้ผ้ากันเป็นบ้ามันเป็นบ้าไปตามความคิดอารมณ์เพราะอะไรกมันก็เหมือนกับที่เราบอกว่าใครบ้ากันแน่นักเอกก็เอกกาแสดงหนังเป็นละคราล้ว แสดงไปตามบทพอถึงกลางวัน่ะแสดงพอตึ่นกลางคืนออกไปกลางวันเสด็เอกตายแล้วพอกลางคืนเนะี่ยเส็ไปต้องชิด น, นอนดูตัวเองโอ้ในตัวเองถูกฆ่าตายไปแต่คนดูเนี่ยร้องไห้กันเป็นรักเป็นเรศเอกตายแล้วนายเอกตายแล้วร้องไห้เป็นรักเป็นเรงเป็นบ้าเป็นหลังเป็นกับละครแต่ตัวนายเอกไปนอนนอนใส่ชุดนอนนอนดูเองเลยละครผ่ร้องไต้กัคนบ้าอารมคนบ้า ชีวิตของเราทุกวันเนี่ยเราก็บ้าต่างตาบ้าทางหูบ้าทางจมูกบ้าทางลิ้นบ้าทางตายบ้าทางใจบ้าทางความคิดบ้าทางอารมณ์บ้าจริงจริงที่จรกงบ้าอีกงจริงหลงโลกจริงๆแล้วก็มันก็คิดไม่ออกเลยเพราะว่าพอมันอยู่ในนั้นเนี่ยมันคิดไม่ออกแต่มันพ้นออกมาแล้วเนี่ยมันมองเห็นโลกนี้ยเป็นความบ้าหมดเลยบ้าสิวโลกโลกูโลกโลกเนี่ยมันก็เป็นใบเดิมเนี่ย แล้วเราเนี่ยเกิ ด, s mm. <S ดตายเกิดตายพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเนี่ยเป็นรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในชาตในโลกนี้เราเกิดมาเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เราก็เกิดมาหลายร่างแล้วเป็นเป็ดเป็นสัตกายเป็นสัตว์นโกเป็นเดียวดายเราเกิดมาเป็นรู้กี่ร่างแล้วเฉพาะเราเกิดมาที่เป็นรูปร we <te> ่างที like ่เป็นกองกระดูกเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราคนเดียวเนี่ยกองกระดูกเราทุกชาติเอามารวมกันเนี่ยเท่ากับภูเขาใหญ่ๆลูกนึง แล้วคิดดูดิเราเกิดมาแทบจะทุกตาราง น, นิ้วเนี่ยในโลกนี้ทั้งหมดแล้วเราเกิดที่ไหนอ่ะใกล้ลูกโลกใบนี้นะแล้วเราก็เกิดมาแล้วก็มาจับจองที่ตรงนี้คือที่ของเราเสร็จ แ, แล้วเราเกิดใหม่เราไปอยู่ในประเทศชาติใหม่ไปเกิดในประเทศชาติใหม่ที่ตรงนี้เป็นของของเรานี่คือประเทศของเราเสร็จแล้วเราก็ไปเกิดในชาติใหม่ที่ตรงนี้คือของของเรานี่คือประเทศชาติเรา แล้วเป็นยังไงวอรบา้ามันฆ่ากันตายนะฆ่ากันตายที่ น, อน้องแย่งผิวโลกกันแย่งที่ดินอาสังหารเรมาซับกันฆ่ากันตายเพื่อนบ้านแย่งที่ดินกันแย่งอะไรฆ่ากันตายแต่โลกใบนี้ยผิวโลกอัเนี้ยมันก็คือโลกใบเดิมไปแหละแล้วเราก็เกิดเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ความไม่รู้ตรงเนี้ย มันก็ฆ่ากันตายโดยที่มันแยกตรงผิวดินเนียแหละเขาเลยเปรียบเหมือนอย่างนี้ไอ้นกตัวหนึ่งอ่ะมันบินมาแล้วมันมาเกาะกิ่งไม้ใหญ่เกาะที่ต้นไม้ใหญ่เกาะกิ่งไม้ใหญ่นกตัวหนึ่งอ่ะมันบินมาเกาะที่กิ่งไม้ใหญ่มันก็ของมันมาเกอนเนี่ยมันมาเกาะกิ่งไม้ใหญ่ได้มันมากกอนที่กิ่งไม้ใหญ่ได้ปุ๊บมันก็จองเลยเนี่ มันก็กลางปิดเลยไอ้นกตัวนั้นก็กลางปิดบอกพ่อว่าให้กินต้นไม้ใหญ่แค่ของกู้ของกู้ของกู้ของกูเนี่ยไอ้กินไม้ใหญ่เนี่ยของกูของกูมันไม่ให้นกตัวไหนเนี่ยบินเข้ามาเลยไอ้กินนั่นอ่ะพอมีนกตัวอื่นบินเข้ามาพวกมันก็ตีเลยตีตีว่าของกูของกูไอ้นกตัวที่ข้าาใหม่มันก็จะแยกไอ้ที่ตรงนี้มันก็บอกของกู้ของกูเลยมานตีกัน ให้โลบของตัวมันตีกันเพราะว่ามันแยกกิ่งไม้ตัวนั้นมันแยกต้นไม้ตัวนั้นมันตีกันเสร็จแล้วก็ตีกันตกลงมาะตกมาตายทั้งผู่เขาบอกว่าถ้าต้นไม้มันพูดได้เนี่ยมันจะบอกว่าไม่ใช่ของมึงทั้งสองหรอกแต่เป็นของปูเออให้โลกเหมือนกันเนี่คือโลกเนี่ยพอมันปูมระฆ่ากันเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องลูกหลานคนั้ง พีดินสรางเคียงแยกมากกว่าการฆ่ากันตายพอฆ่ากันตายดีมันพูดได้ที่ไอ้โลกไปนี้มันพูดได้จะบอกว่าไม่ใช่ของมึงเลยของกูนะแค่มึงมาที่หลังอ่ะมึงมาแล้วเสร็จแล้วมึงมาเกิดมันก็มาที่หลังเสร็จแล้วมึงก็มาแย่งกันของไม่ใช่ของมึงแล้วมันก็แย่งกันเจ้าง่ากันตายเสร็จแล้วไปแล้วไอ้โรคไปยังเพราะงั้นเป็นของกูอยู่นี่เว่ยจนมาไม่พูดแต่ว่าของกูของกูแต่นกมันบิมาก็ว่าของกูของกูคนที่มันพ้นแล้วมันเห็นในสิ่งเหล่านี้ยมัน หนาหัวล่อหน้าทะลุดสังเวชทั้งหน้าหัวล่อหน้าทะลุดสังเวชคนทต้งหลายในโลกนี้เราคิดไม่ปรารถนาอะไรเลยเราไม่ปรารถนาจะเป็นเจ้าของสิ่งใดสักอย่างเยเพราะไม่มีจริงอะไรเปของของเราถ้าเราเข้าใจธรรมชาติตามความคิดเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยที่เราพูดกันถึงเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุินธาตุน้ำธาตุลมธาตุาไฟแล้วก็ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุหรือธาตุใจ มันมีห้าธาตุมารวมกันทําให้เป็นปีกที่ใจขึ้นมามันไม่มีใครจะเจ้าของไม่ได้ของของใครมันเป็นแค่ห้าธาตุมารวมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุรู้ห้าธาตุแต่ละธาตุเนี่ยทาหน้าที่ของเขาก็สมบูรณคือดินเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายสมบูรณ์ธาตุน้ำก็ทําหน้าที่เป็นของเหลวเราเลียงอาหารธาตุลมก็ทําหน้าที่เป็นลมหายใจเนี่ย ถ้าปกแล้วถ้าไปก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายถ้ารู้ก็ทําหน้าที่รู้ห้าธาตุเขาหน้าที่ของเขาเด้วยสมมูลแล้วให้ห้าธาตมารวมกันทําไม่มีชีวิตมีขันห้าขึ้นมาคือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มีสามารถติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจได้มันมาจากห้าธาที่รวมกันแล้วมาเป็นในขันห้าเราเวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกให้กลับไปเป็นธาตรู้แล้วรู้อะไรก็มารู้ขันห้านี่ อย่าไปรู้แต่คนอื่นถ้าเราไปรู้แต่คนอื่นมันไม่รู้ความจริงเพราะว่าไอ้หน้าท่ามันรวมกันเป็นขันห้าแต่เราเนี่ยสมองรวนจะไปรู้คนอื่นเนี่ยไปรู้อพ่อเห็นรูปเราไปรู้แต่รูปเราไม่รู้ไอ้ขันห้ามันคิด อ, อะไรกับรูปเราก็พลาดไปเ ร, เราก็กลาเราก็กลายเป็นเป็นขันห้าที่เป็นตัวคิดแต่เราไม่เรียนรู้สมมติว่าเนี่ยพวกท่านเนี่ยมองเห็นเราที่กาลังพูดอยู่มองเห็นลูกตาที่กาลังพูดพูกท่านมองเห็นลกตาที่กำลังพูด ตัวท่านมองเห็นตัวของผู้ท่านที่มองเห็นเนี่ยเปรียบเหมือนรู้เหมือนกับรู้เนี่ยเวลาท่านมองเห็นแล้วเนี่ยมองเห็นลูกตาท่านก็มองเห็นจำโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ท่านจะต้องรู้อีกอันว่าใจของท่านเนี่ยคือหันหน้าเนี่ยมันคิดอะไรกับลูกที่ฟังของตาตามองเห็นแล้วได้ยิยนเสียงของตาพูดประกนี้ลกตาพูดเนี่ยถ้าจะได้ยิยนเสียงด้วยตาก็มองเห็น แต่ตามองเห็นแล้วก็หูก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของไในในขันห้าที่มารวมกันแล้วมันมีเป็นอายันต์ภัยในใจนอกนีตาวิจะคิดกายใจขึ้นมาแต่ถ้าท่านมองเห็นเราด้วยและได้ยินเราด้วยท่านก็จะต้องรู้ด้วยว่าขันห้าของท่านกำลังคิดอะไรเพราะถ้าท่านรู้ว่าสัวท่านกําลังคิดอะไรท่าของท่านรู้ขันห้าด้วยไม่ว่าท่านจะเห็นทอะไรท่านก็ต้องรู้ว่าขันห้ากําลังคิดอะไรดได้ยินเสียงเราพูดขันห้ากําลังคิดอะไร